บทที่ 1. นึ่ครั้งแรกนนท ก, การเดินผ่านกลุ่มโต๊ะหมอดูด้วยท่าถีเก๊กเก๊กกลางๆเป็นรอบที่3มหรือสความจริงเขาเข้าห้างในวันนี้ด้วยความตั้งใจดูหนังคนเดียวแก้กลุ่มแต่พอผ่านโต๊ะหมอดูแล้วเกิดความคลุ่นคิดบางอย่างเดินกลับไปกลับมาช่างใจว่าจะเสี่ยงเอาเสียหน่อยไหมเกิดมายังไม่เคยดูหมอชนิดที่มีคนเป็นๆ น, นั่งพยากรณ์ให้ต่อหน้าอย่างมากเคยแค่เล่นหมอดูคอมพิวเตอร์หรือให้เพื่อนซึ่งมีไพ่ ย, ยิปซีทายดวงเล่นให้แบบส่งเดช แต่แบบนี้เป็นความรู้สึกที่ต่างกันเขากำลังจะเสียเงินเป็นร้อยเพื่อสนทนาถามตอบกับผู้ได้ชื่อว่าจับงานพยากรเป็นอาชีพสุมหมอดูที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นจัดแบ่งเป็นสัด ส, ส่วนด้วยแผงไม้กัน้นมีทั้งหมดสี่ห้องหมอดูแต่ละคนล้วนมีอายุท่าทางเป็นผู้คงแก่เรียนทุกห้องต่างมีลูกค้าเว้นริมซ้ายสุดที่ยังว่า ง, างนนทการอ่านป้ายชื่อหมอดูบนโตะ๊ะเห็นชื่ออุ ป, ปการะตโมภัยรี แล้วเกิดความตะคลั่นตะครอดแปลกๆฟังครั้งเรากับเป็นหมอดูชื่อดังหรือเป็นชื่อที่สันตั้งให้ฟังหน้าเลื่อมใสในทางสงเคราะห์ผู้มืดบอดโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นหมอดูแม่นๆหรือมีชื่อเสียงจริงคนคงแห่มาดูกันบ้างนี่อย่างนั่งว่างอยู่นานคงจะมือใหม่ในวงการหรือประเภทดูคลาดเคลื่อนเป็นประจำเสียกระมังนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้นนทการจน์ยังเดินงุนงานช่างใจอยู่หมอดูคงเห็นเขาเดินละล้าละลังอยู่พักหนึ่งแล้วเหมือนกัน ฝ่นั้นจึงยิ้มให้อย่างอ่อนโยนมองเป็นมิตรหน้าอุ่นใจแต่สมัยนี้เห็นยิ้มใจดีแล้วแทนที่จะอยากเชื่อถือกลับก่อความรู้สึกระแวงขึ้นแทนเพราะข่าวอาชญากรรมดังๆและข่าวช่อฉนอื้อฉาวนั้นเป็นผลงานของคนหน้าตาท่าทางใจดีเสียเกือบครึ่งในที่สุดชายหนุ่มก็ตัดสินใจเดินเข้าสู่ซุ้มหมอดูคาเขาไม่ค่อยออกอาการก้าวฉับฉับอย่างเคยเพราะใจเฝ้าคิดว่าควรหรือที่อยู่ดีๆจะหาเรื่องเสียสตางเปล่าเพื่อฝั่งใครไม่รู้ ทำนายทายทักเขาในสิ่งที่ยากจะพิสูจน์เดี๋ยวนี้ว่าจริงหรือเท็จเออดูหมอคิดเท่าไหร่ครับความจริงเขาเห็นป้ายบอกอัตราแล้วว่าคลังละ200แต่ถามไปอย่างนั้นเองเพื่อมีฟลุกลดราคาให้บ้างถ้าฝ่ายนั้นกำลังหิวลูกค้า200ครับเชิญครับเจ้าของโต๊ะร่างท้วมตอบตามธรรมเนียมชายหนุ่มพยักหน้าลงนั่งแบบคาใจเสียดายสตางไม่รู้หายเออนะดูดวงแบบไหนครับนี่ผมต้องเอาข้อมูลอะไรให้หรือเปล่า แบบว่าเป็นคนจำรายละเอียดจำพวกตกฟากตกไฟไม่ค่อยได้นะครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ต้องใช้หลอกฮ่แฮบอกนะตามตรงนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเกิดมาเพิ่งเคยมานั่งตรงหน้าหมอดูมืออาชีพนี่แหละอันนั้นก็ดีครับเพราะน้องเป็นลูกค้ารายแรกของผมเหมือนกันนนทการเบิกตาขึ้นนิดหนึ่งแบบสอือกเกือบจะลุกหนีในทันทีเสียแล้วน้องจะดูเรื่องผู้หญิงใช่ไหมคําทักนั้นทําให้ชายหนุ่มเบิกตาโตกว่าเก่าแต่คราวนี้เป็นด้วยความสนใจ เพราะโดนทักถูกจุดทว่าพอคิดคำนึงแล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจแค่นิดหน่อยเท่านั้นหนุ่มน้อยสาวน้อยเข้าหาหมอดูจะเรื่องพันไหนที่พ้นจากของพันนี้ครับลูกค้าหนุ่มยอมรับผมต้องเอาวันเดือนปีเกิดของผมกับเธอให้นาไหมครับนนทการสะกิดใจอยู่บ้างที่จนป่านนี้หมอดูอุปการะยังไม่งัดเอาอุปกรณ์ใดๆขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยสักชิ้นเดียวแม้แต่กระดาษปากาก็หาได้มีไม่ไม่ต้องรอก อุปการะตอบยิ้มยิ้มนิ่งเพียงอึดใจกับผู้ชนิดทําให้ชายหนุ่มตรงหน้าถึงกับตาเหลือกน้องกําลังสงสัยว่าตัวเองรักข้างเดียวหรือเปล่าเพราะบางทีเหมือนมีความหวังบางทีรู้สึกว่ากําลังถูกหลอกใช้ใช่ไหมนนทการกลืนน้ํำลายเอือ้องท่าทีเปลี่ยนไปสิน้นเอ๊ะน้าทราบได้อย่างไรใช่แล้วเรื่องเดียวที่กําลังวนเวียนอยู่ในหัวคือสงสัยว่าตนเองกําลังตกเป็นทาสน้าโง่ของเพื่อนสาวในสถาบันศึกษาเดียวกันหรือไม่ บางวันก็สำนึกรู้ว่าอยู่ในกลุ่มมมามองเครื่องบินแต่บางวันก็อยากหลอกตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มมมาตีนปลายผมให้น้องถามก็แล้วกันน้องอยากรู้อะไรบ้างเชิญตามสบายครับชายหนุ่มอึกอักเขามาเจอใครเข้าแล้วนี่เอออ่าผมจะมีสิทธิ์ได้เป็นแฟนตัวจริงของเขาไหมครับถ้าเป็นคำถามนี้ผมต้องให้น้องเตรียมใจฟังคาตอบนิดหนึ่งน้องอยากรับฟังคาตอบที่แท้จริงไม่ใช่คาตอบที่เป็นกาลังใจใช่ไหมครับ ผมมีพเพื่อนให้กำลังใจลมแล้งทางโทรศัพท์มากพอมาถึงโต๊ะหมอดูนี้ผมอยากรู้ความจริงที่ทําให้สบายใจเสียทีมากกว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราหรอกถ้าเราคบกับเขาแบบเพื่อนเขาจะให้ความสนิทแต่ถ้าแสดงความอ่อนแอเปิดเผยหน้าตาที่ลุ่มหลงเขาจะนึกเหยียดยามดูถูกผู้หญิงที่สวยมากๆนะ่ะมินิสายชอบด่าผู้ชายที่มาหลงง่ายๆกันทั้งนั้นนนทการรู้สึกสลดอยู่ในหน้าแต่ประหลาดที่เขาฟังเสียงนุ่มของหมอดูแล้วทําใจได้อยู่ในส่วนลึก ก็ขนาดเขาเองยังรู้สึกตั้งหลายครั้งว่าเป็นไอ้หน้าโง่แล้วจะแปลกอะไรถ้าคำคานี้ไปปรากฏอยู่ในหัวของหล่อนนารู้ดีจังนะว่าเขาสวยมากแต่ผมอาจยังมีดีไม่พอแต่วันหน้าถ้าเรียนจบแล้วพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวร่ำรวยกว่าที่เป็นอยู่เยอะๆ เ, เขาจะมีทางมาสนใจบ้างไหมครับกี่ปีก็ตามอุปการะยิ้มปลอบสายหน้าเล็กน้อยน้องไม่ใช่คนที่จะเป็นคู่ครองของเขาหรอก ละเถอะอย่าห่วงผู้หญิงของคนอื่นไว้ในหัวใจเราเลยเราจะไม่ได้อะไรนอกจากความร้อนรุ่มกลุ้มใจอย่างเดียวชายหนุ่มไหลตกเกิดความห่อเหี่ยวรันทดขึ้นมาอย่างท่วมทน้นแต่ด้วยความเสียดายประกอบกับลูกคืดของชายชาตรีทำให้ตัดสินใจถามตรงๆนารู้ได้ยังไงใช้หลักพยากรณ์แบบไหนหรือครับขอโทษผมไม่เห็นนะทําอะไรเลยอุปการะยอมเปิดเผยตามที่ตรเตรียมไว้แล้วเมื่อถูกลูกค้าถามเช่นนี้ ผมไม่ใช่วิชาโหราศาสตร์หรือหลักการพยากรณ์แนวไหนหรอกครับแต่ใช้วิธีอ่านรำตรงๆมันปรากฏอยู่แล้วในทุกอนูของความเป็นคนเราตามหลักโหราศาสตร์อาจมีการทำนายเช่นที่เรียกว่าทักษะพยากรณ์คือพยากรณ์โดยอาศัยทักษะทักษะเป็นชื่อเรียกอัตเคราะห์ได้แก่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสบดีราหูสุขโดยจัดเข้าระเบียบเป็นบริวารอายุเดชสีมูละ อุสาหะมนตรีและการละกันนีแต่การอ่านกรรมไม่ต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านั้นขอเพียงรู้ว่าใครทําอะไรมาก็ทํานายทายทักได้ว่าจะต้องได้รับผลอย่างไรจะเรียกหลักการนี้ว่าเป็นกรรมพยากรณ์ก็ได้นนทการทําหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแปลว่านาใช้วิธีแบบนั่งทางในหรือครับก็แล้วแต่จะนิยามกันว่านั่งทางในคืออะไรโดยมากมักหมายถึงคนหลับตาทํานายโดยใช้กําลังสมาธิดูเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต แต่สำหรับผมจะมุ่งเน้นดูว่าใครทําอะไรมาอย่างไรทําอย่างนั้นๆแล้วจะให้ผลแบบไหนตรงนี้ผมไม่อาศัยนิมิตอันเกิดจากพลังสมาธิอย่างเดียวแต่จะใช้จิตสัมผัสเข้ามาร่วมด้วยชายหนุ่มฟังคําอธิบายแล้วงงเพราะแยกไม่ออกว่าระหว่างนิมิตจากพลังสมาธิกับจิตสัมผัสแตกต่างกันอย่างไรตอนน้าเห็นนะเห็นยังไงขอให้น้องลองนึกถึงญาติสักคนเดี๋ยวนี้เอาแบบที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันน้องเห็นในใจอย่างไร มันเป็นความรู้สึกเพียงวูบเดียวที่ระลึกถึงใครคนหนึ่งได้แต่ก็เกิดกระแสรู้สึกถึงสายใยผูกพันในทางมงคลระหว่างเรากับเขาใช่ไหมในใจน้องเป็นอย่างไรผมก็สัมผัสเห็นกรรมสัมพันธ์ของคนอื่นด้วยอาการคล้ายๆอย่างนั้นแหละเพียงแต่สามารถเข้าไปส่องสารวจดูรายละเอียดได้ชัดเจนและกว้างขวางกว่าคนทั่วไปเพราะมีกําลังสมาธิหนุนหลังอยู่อย่างที่นาพูดถึงผมกับเพื่อนผู้หญิงนาเห็นอย่างไรผมทํากรรมกับเขามาอย่างไร ก่อนอื่นน้องต้องเชื่อว่าคนเราเวียนไหว้ตายเกิดมาหลายครั้งเคยทำอะไรด้วยกันเคยเป็นอะไรกันมาหลายแบบอย่างเรากับเขาก็เคยเป็นแฟนกันมาถึงได้มีความรู้สึกแบบเพศตรงข้ามที่ดึงดูดกันอยู่บ้างแต่ชาตินี้เขากำลังสวยวิบากเหนือเราเลยทำให้มองผ่านแล้วเลงหาคนอื่นที่เขารู้สึกเหมาะตัวเหมาะใจกว่าลูกค้าหนุ่มน้อยทาหน้ากังขาวิบากนี้คืออะไรครับสวยวิบากนี้หมายถึงเพื่อนผมกาลังรับผลอะไรอยู่หรือ อ๋อวิบากแปลว่าผลอันเกิดจากกรรมกรรมคือคิดคือพูดคือทําก่อกรรมใดประจําก็เกิดเป็นนิสัยติดตัวอย่างนั้นนิสัยอย่างไรก็ต้องรับผลของนิสัยอย่างนั้นเช่นรูปร่างหน้าตานี้ก็เป็นวิบากนะผิวพรรณเขาสะอาดสะอา้านเพราะเคยอยู่ในกรอบศีลสัตว์รูปศรีรษะมนหน้ามองเพราะเคยอ่อนน้อมถ่อมตนแบบคนไหว้ง่ายไหว้สวยและถ้าผมเห็นไม่ผิดจุดเด่นของเขาคือมีในตาเป็นประกายลึก ดูสวยสะกดจิตสะกดใจใครๆได้ตั้งแต่แรกเห็นอันนี้ก็เพราะเคยมองพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยใจศรัทธาบริสุทธิ์และมองใครต่อใครรอบตัวด้วยความรักความปรารถนาดีตลอดชีวิตในอดีตชาตินนทการเริ่มมองอีกฝ่ายอย่างทึ่งครับเขาเป็นผู้หญิงตาสวยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเคยอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมธรรมชาติถึงลําเอียงนักให้รูปสมบัติและคุณสมบัติกับพวกเราแตกต่างกันขนาดนี้ธรรมชาติเนะี่ยลำเอียงไม่เป็นหรอกเราเอาท่อนไม้มาสีกัน ธรรมชาติก็คายไฟออกมาเสมอแต่ไฟจะมากหรือน้อยติดไฟช้าหรือเร็วก็ขึ้นกับจํานวนไม้ขึ้นกับความสดหรือแห้งของไม้ตัวเราเองทั้งหมดก็คือธรรมชาติมีเหตุอย่างไรปัจจัยแค่ไหนก็ได้ผลไหลมาเทมาตามนั้นไม่มีใครควบคุมวงการอยู่เหนือธรรมชาติในตนเองได้เลยอย่างที่จะ๊ะเออไม่ถึงเพื่อนผมนะครับที่จ๊ะเขาตาสวยแล้วนะบอกว่าเพราะมองใครต่อใครด้วยความรักใช่ไหมครับมันเกี่ยวกันอย่างไร มองคนด้วยสายตาแบบหนึ่งแล้วทำไมถึงตาสวยได้มีหลักคร้าวๆอย่างนี้คือกรำจะให้ผลทางใจสอดคล้องกับเหตุที่เคยก่อไว้อย่างเช่นการมองผู้คนด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีจริงใจจะให้ผลทันทีเป็นความเย็นตาเย็นใจทั้งกับตนเองและผู้ถูกมองฉะนั้นจึงมีการบรนดาลความงามขึ้นในดวงตาตั้งแต่เดี๋ยวนั้นเลยนี่เองความจริงที่สามารถเห็นทันใจในชาตินี้พบนี้เดี๋ยวนี้แหละแต่จะเห็นชัดขึ้นในอัตภาพต่อมา เพราะการเกิดใหม่คือการรวบรวมกรรมที่ทำประจำไปสร้างรูปลักษณะให้สอดคล้องกับความเป็นตัวเรามากที่สุดคล้ายกับน้องเรียนหนังสือยิ่งกว้านความรู้เพิ่มขึ้นก็จะแตกฉานในสาขาวิชายิ่งยิ่งขึ้นแต่เมื่อจบปริญญาได้งานทำชีวิตจะเปลี่ยนไปทั้งหมดทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานระดับเงินเดือนความก้าวหน้าที่รออยู่ล้วนตัดสินจากความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาระหว่างเป็นนักศึกษานั่นเองนอนทกา ร, ค, รคล้คลวนตามแล้วพยักหน้าฝืดฝดืเออ แล้วที่นาบอกว่าผมกับเขาเคยเป็นแฟนหมายถึงเคยอยู่กินแบบคู่ผัวตัวเมียกันมาก่อนหรือเปล่าครับอุปการะนิ่งไปอึดใจเคยแต่ว่านานเสียจนป่วยการเปล่าประโยชน์จะไปพูดถึงของเหล่านี้ถ้ารู้จริงต้องเข้าใจให้ซึง้งอย่างถ้าน้องมีความสามารถอย่างรู้เดินออกจากห้องนี้น้องจะพบกับคนที่เคยเป็นนั่นเป็นนี่เต็มไปหมดจะเหนื่อยแค่ไหนถ้าน้องรู้ว่าคนขายน้ําตรงมุมโน้นเคยเป็นพี่สาวของน้องคนขายก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นเคยเป็นพ่อของน้อง รือกระทั่งเดินออกจากห้างพบหมาข้างถนนตัวหนึ่งแล้วรู้ว่ามันเคยเป็นลูกพวกเราเวียนไหวตายเกิดมามากขนาดหาคนไร้ความสัมพันธ์กันอย่างสิ้นเชิงได้ยากมากทุกคนเพียงแต่เล่นเกมแห่งความลืมเลือนเมื่อต้องข้ามภพข้ามชาติเท่านั้นยังผมกับนานี่เคยเป็นอะไรกันมาก่อนครับชายวัยกลางคนเอ็นหลังพิงพนักผินหน้าไปทางอื่นกระพริบตาคลี่มุมปากเล็กน้อยยังไม่ใช่สิ่งที่สมควรบอกผมรู้สึกดีเหมือนาน้านเป็นญาติผู้ใหญ่ อย่างนี้แปลว่าต้องเคยใช่เสมอไปหรือเปล่าครับก็อาจจะมนุษย์เรามีสัญชาตญาณในการเข้าหาและรู้สึกผูกพันกับใครบางคนชนิดที่ยากจะอธิบายแต่มันก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกซึ่งทายความสัมพันธ์ในอดีตถูกหรือผิดคงมีความหมายน้อยขอเพียงความสัมพันธ์ในปัจจุบันเราเป็นอะไรกันสักอย่างนั่นแหละที่ถูกแน่จริงแน่อย่างนั้นแปลว่าคนเรามีเนื้อคู่หลายคนหรือครับชีวิตเดียวคนคนหนึ่งอาจแต่งงานได้ตั้งหลายหน ชีวิตที่ผ่านมายิ่งไปจับคู่กับใครต่อใครไม่รู้เท่าไหร่ตามเหตุตามปัจจัยตามความเหมาะสมในแต่และจังหวะพวกเราเหมือนนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวที่พลัดไปเข้ากลุ่มทัศนาจรกับพวกโนนทีพวกนี้ทีขึ้นอยู่กับว่าพวกไหนบ่ายหน้าไปทิศ ท, ทางเดียวกับเราในช่วงหนึ่งหนึ่งเฮ้อฟังดูเหงาหน้าเศร้าจังครับเคยคิดเข้าข้างตัวเองว่าชื่อเราเข้ากันดีผมชื่อโจ๊กเขาชื่อจ๊ะผมชื่อนนทการเขาชื่อลานดาว เคยคิดกระทั่งว่าถ้าเขาเปลี่ยนมาใช้นามสกุลผมจะฟังเก๋กว่านามสกุลเดิมของเขามากสรุปคือชื่อแท้ดูรับกันไปหมดเสียอย่างเดียวคือเขาไม่เคยรับว่าผมเป็นแฟนอย่าว่าแต่ชื่อเข้ากันเลยต่อให้นะ่าเหมือนกันเป๊ะอย่างแพ้กกับแกะก็ไม่ได้สอนเลยว่าต้องเป็นคู่แท้ที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตคนเราครบกันด้วยทาศนี้ใที่คล้ายคลึงกันแต่ถ้าให้เป็นแฟนกันต้องอาศัยความดึงดูดใจที่ทาให้ทวินหาไปทางนั้นด้วย ผู้หญิงที่น้องชอบเขาเป็นพวกมีสิทธิ์เลือกจนกว่าจะถูกใจโอกาสรอกกระทั่งพบคนที่ทั้งเข้ากันโดยธาตุและความดึงดูดจึงมีอยู่สูงประเภทนี้เขาไม่ด่วนปักใจเร็วเพียงเพราะความเข้ากันผิวเผินหรอกงั้นผมขอถามถึงเขาหน่อยเถอะครับถ้าเขาไม่รักผมไม่ใช่คู่ของผมแล้วเขารักใครคู่ของเขาเป็นใครเขายังไม่พบคู่ที่จะอยู่กับเขาตลอดไปหรอกน้องเส้นทางโคจรยังไม่บรรจบกันแล้วจะพบเมื่อไหร่ ก็คงอีกพักใหญ่ชีวิตเขาเหมือนแม่เหล็กดึงดูดทั้งสิ่งที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาเข้ามาหาตัวมากมายต้องวุ่นวายกับตัวเลือกเยอะแยะกว่าจะพบของจริงที่โดดเด่นขึ้นมาเนื้อคู่เขาเป็นคนอย่างไรหน้าตาแบบไหนครับอุปการะเบนมามองหนุ่มรุ่นลูกด้วยสายตาตรงถามเพราะอยากทําตัวให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมอนุญาตให้ผมทําหน้าที่ของหมอดูนะอย่างน้องถ้าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นเรียนให้เก่งขึ้นดูเข้มแข็งเป็นที่พึ่งได้กว่านี้ อย่างดีที่สุดก็ทำให้เขาทึ่งมากกว่าเดิมไม่มีส่วนเข็นใจให้เขาขยับมาถึงเราหรอกหากอยากใกล้ชิดเขาตลอดไปน้องต้องทำตัวเป็นเพื่อนสนิทที่เขาสบายใจจะพูดคุยด้วยได้ถูกเรื่องไม่ใช่ดึงดันจะให้เขารับเป็นคนรักเพราะความดึงดันในรูปนั้นรังแต่จะผลักเขาห่างจากเราไปเรื่อยๆใบหน้าของนนทการหม่นมองใจหนึ่งคานและนึกด่างเงียบๆว่านี่จะดูหมอหรือเข้ามาบงการชีวิตเขากันแน่แว่าอีกใจหนึ่งก็จาต้องยอมรับ เพราลานดาวเคยบอกกับปากว่าสนิทใจกับเขาและบางครั้งอยากเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังมากกว่าเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเสียอีกแต่บางวันหล่อนจะพูดจาห่างเหินเมินบ่อยหรืออยู่ดีๆอาจกระแทกเสียงตัดบทจบการสนทนาเหมือนรำคาญเขาเสียเต็มประดาซึ่งสังเกตดูมักจะอยู่แถวๆช่วงเวลาที่เขาพยายามออดอ้อนขอให้เป็นคนรักกันนั่นเองในเมื่อผมกับเขาเคยอยู่กินแบบคู่ผัวตัวเมียกันมาก่อนอย่างน้อยก็ต้องแปลว่าเคยมีความเข้ากันได้และมีใจทางนั้นอยู่บ้าง ทำไมนะพูดปิดทางหมดไม่ให้กำลังใจผมเลยนนทการตัดพอด้วยสัมเนียงละห้อยถ้าบอกความจริงทั้งหมดก็เกรงน้องจะรับไม่ได้คนเราใช่ว่าเวียน่าวตายเกิดอยู่ภายในภพภูมิมนุษย์อย่างเดียวบางครั้งเสวยชาติร่วมกับใครบางคนขณะอยู่ในภูมิต่ำกว่ามนุษย์ก็ไม่ได้ประทับความรู้สึกดูดดื่มไว้ในวิญญาณของกันและกันมากนักหรอกชายหนุ่มอ้าปากค้างเป็นครูคิดตามเพียงอึดใจเดียวก็ถามโพ่งออกมาผมกับจ้าเคยเป็นสัตว์ทุกคนนะ่ะ เคยเป็นมาหมดนั่นแหละแล้วทางข้างหน้าก็ไม่มีอะไรประกันว่าจับพลัดจับผูกจะถอยหลังเข้าคลองกันอีกหรือเปล่าสุดแท้แต่เวรกรรมที่ทํามาจะซัดไปและเมื่อเป็นคู่กันขณะอยู่ในภูมิต่ํากว่ามนุษย์ก็มีเพียงสัญชาตญาณการสืบพันธุ์และการเลี้ยงลูกตามมีตามเกิดมากกว่าอย่างอื่นต่างจากเมื่อเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงมีความสัมพันธ์กันสร้างความประทับใจได้หลายมิติเช่นเกี้ยวพาราสีให้ยินยอมพร้อมใจคบกันไปเที่ยวกันร่วมทุกร่วมสุข เผชิญภัยพิสูจน์น้ำใจกันหลายๆแบบนนทการมืนงงสนเทคำพูดต่างๆของมอดูซึ่งเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกผลักเขาไปอยู่ในสภาพของคนไม่เคยรู้อะไรเลยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยและที่สำคัญคือไม่มีทางทราบว่าถ้อยคำของอีกฝ่ายน่าเชื่อถือขนาดไหนบางครั้งเขาจำนนเพราะตรงกับเรื่องจริงในปัจจุบันที่รู้อยู่ด้วยตนเองแต่บางครั้งเหมือนให้เรียนประวัติศาสตร์ที่ขาดหลักแหล่งอ้างอิง ทั้งสถานที่และซากโบราณวัตถุเขาอยากจะเชื่อแต่ก็กลัวเสียชื่อที่ได้กลายเป็นลูกค้าหน้างโง่รายแรกที่งมงายค่ะสติของหมอดูมือใหม่พูดอะไรเชื่อหมดอย่างไรก็ตามในเมื่อหมอดูเจ้านี้กระทําตัวเป็นผู้วิเศษอย่างรู้กรรมวิบากของชาวบ้านเขาก็เริ่มสนุกกับการสแสวงหาความรู้ขึ้นมาผมเคยนั่งคิดว่าความสวยของผู้หญิงอยู่ตรงไหนบางทีเครื่องหน้าก็เหมาะเจาะจิ้มลิ้มเหมือนเหมือนกันแต่บาดตาบาดใจต่างกันมาก เพื่อนในคณะก็สวยๆทั้งนั้นแต่เหมือนมีหนุ่มเข้าไปรุมคลั่งใครจ้าอยู่คนเดียวเหมือนนิยายน้ำเน่าเลยนะนะประเภทชกต่อยเตะตีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือกระทั่งค่าตัวตายเพราะใหญ่จ้านี่ถือว่าเหตุการณ์ปกติทําไมเป็นอย่างนั้นได้รูปทรงและเครื่องหน้าเป็นเพียงของล่อตาเท่านั้นแต่สิ่งล่อใจอย่างแท้จริงชนิดเห็นแล้วบาทเข้าไปถึงจิตนี่นะต้องนับความมีสง่าราศีไว้ด้วยน้องเห็นสักกีคนที่ชายรัศมีสดใสชัดเจนอีกอย่าง นอกจากการให้ผลของกรำรเก่าแล้วต้องมองด้วยว่าวิธีพูดจาสเสนในการวางตัวในการหยอดมุกซึ่งถือเป็นกรรมในปัจจุบันก็ให้ผลใหญ่หน้าดูชมเหมือนกันบางคนไม่สวยแต่พูดเก่งก็ดึงเอาดาวมาล้อมเดือนได้แต่ถ้าสวยแล้วแถมเจ้าสเสน่ห์อยู่ในกิริยาวาจาอันนั้นก็เข้าพวกปั่นโลกให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ดังใจทีเดียวแบบเดียวกับพวกดาราดังๆหรือครับอุปการะพยักหน้า คนที่มีลักษณะแตกต่างโดดเด่นกว่าใครมักสร้างตบะเดชะบางอย่างที่ผิดแปลกจากคนอื่นเช่นถือศีลบริสุทธิ์ผุดพองหรือตั้งใจทำอะไรจริงแบบต้องเอาให้ได้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตบารมีและตบะเดชะอาจไม่ปรากฏแสดงในใบหน้าลำคอหรือแขนขาแต่จะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยใจและกรรมที่ก่อแรงดึงดูดผู้คนอย่างที่สุดเห็นจะได้แก่การเสียสละเพื่อคนอื่นมาเยอะเช่นมีแต่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน หรือเป็นผู้นําชักชวนให้ชนหมู่มากได้ดีร่วมกันจากก็ไม่ได้ชอบช่วยใครนี่ครับเห็นมีแต่คนเสนอหน้าไปรับใช้แต่ทางทางที่ทําตัวเป็นนางพยาเห็นใครต่อใครเป็นข้าทาสก็ไม่ค่อยมีคนหมั่นไส้เท่าไหร่นิสัยในอดีตกับนิสัยปัจจุบันอาจต่างกันเยอะน้องเองสมัยเพิ่งเข้าวัยรุ่นก็ติดการพนันงองงมแงมแต่ตอนนี้เลิกได้ขาดแล้วใช่ไหมล่ะนี่ขนาดชาติเดียวกันตัวเดียวกันในระยะเวลาไม่กี่ปีนะนนท ก, การกระพริบตาปลิบ ยกมือว่าอีกฝ่ายแบบศรัทธาหมดใจเชื่อแล้วครับว่านารู้จริงของมันมีเหตุปัจจัยอย่างที่น้องเลิกพนันได้ก็เพราะเห็นโทษของมันโทษชนิดคอขาดบาดตายเดือดร้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในทางกลับกันเรื่องความหลงตัวลืมตนก็อาจเกิดขึ้นได้คือเมื่อแรกทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแทบไม่รู้ด้วยซ้ว่าอนาคตจะรับผลดีขนาดไหนแต่เมื่อได้ดีแล้วลืมเหตุแห่งฐานะแล้ว ก็อาศัยฐานะขณะนั้นนั้นก่อกรรมใหม่ตามกิเลสบัญชากันเช่นบางคนปากสวยก็เพราะยิ้มหวานยิ้มจริงใจให้คนอื่นเป็นสุขประกอบกับพูดแต่คำที่เพยร้อรื่นหูไว้ก่อนในอดีตชาติมาชาตินี้ด้วยความสวยนั่นเองทำให้มีอีกอารมณ์หนึ่งคือเอาแต่ใจสนุกกับการยิงยิ้มดุใส่ตาคนชอบด่าปากจัดเมื่อขัดใจอย่างนี้เกิดชาติต่ตอไปนอกจากปากไม่สวยเผลอเผออาจปากเบี้ยวเอานอนทการหัวเราะ อย่างนั้นถ้าคิดถึงโสเพณีสวยๆก็น่าเศร้านะครับเคยทําดีแทบตายเพื่อเอาผลมาขายตัวหากินทาอาชีพยอย่างนั้นโอกาสจิตใจตกต่ําก็คงง่ายมองแล้วเป็นเหตุเป็นผลกลับไปกลับมาดีนะครับพอไม่สวยก็มีแรงบันดาลใจทําเหตุแห่งความสวยแต่พอสวยก็ได้เริกขาดความยับยั้งชั่งใจในการทําเหตุแห่งความอัปลักษณแต่จะก็ไม่ใช่คนปากร้ายหรือแม้กระทั่งปากจัดนะครับอย่างมากคือชอบตีฝีปาก เทียงคำไม่ตกฟากทางรู้ว่าตัวเองผิดหรือประเภทใครทำให้โมโหแล้วจะพูดทิ่มแทงด้วยท่าทีนิ่มๆให้แสบคันเป็นนานๆใช่ว่าพูดคำเพลอะแล้วจะรอดหรอกนะต้องดูเจตนาด้วยว่าเบียดเบียนให้คนฟังเดือดเนื้อร้อนใจหรือเปล่าเป็นหลักคำหยาบกับคำส่อเสียดนั้นใกล้เคียงกันแม้มาในรูปคาที่หยาบระนิดต่างกันนะครับนนทการตีหน้ามอยผมทุ่มเทพยายามทาดีกับจ้าทุกอย่าง มันไม่มีความหมายบ้างหรือถือว่าเป็นกรรมสะสมให้เขาเกิดความเห็นใจจริงในวันหนึ่งไม่ได้หรือคิดสิยุคนี้ถ้ามีเด็กเล็กๆปั้นวัวปั้นควายด้วยดินเหนียวใช้แรงกายแรงใจทั้งหมดอดตาหลับขับตานอนทําอย่างสุดฝีมือแล้วมอบให้กับเราด้วยความหวังว่าเราจะเห็นค่าวัวดินควายดินเห็นค่าของน้ําพักน้ําแรงที่เขาอุตส่าห์ปั้นให้สักนิดน้องจะเห็นอย่างที่เขาคาดหวังไว้ไหมยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขาขอว่าจะปั้นวัวปั้นควายให้เราครบร้อยตัว ได้โปรดรับเขามาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมหรือน้องบุญธรรมเราจะรับเพราะเหตุที่เขาแสดงใจจริงแทบเลือดตากกระเด็นนั้นไหมนนท ก, การสือึกอึง้งและเหมือนหลุดจากกรงขังที่จองจําตนเองไว้เนิ่นนานน้องทําอะไรอะไรให้เขาสุดจิตสุดใจก็เพราะหวังว่าเขาจะเห็นใจหวังว่าจะได้เขามาคลองไม่ใช่ด้วยใจบริสุทธิ์ผุดพองแบบพ่อพละที่ไหนยอมรับตรงนี้เถอะบรรดาสาวที่มีตัวตนทั้งแท่งเหมือนสเสนียาแฝด น, น่ะนะไม่มีหลอกที่จะเห็นค่าของบรรดาธาตุความสวยของพวกเธอ อย่าเสียเวลาคิดด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจไปเลยทุ่มเทแค่ไหนก็สูญเปล่าแค่นั้นผมเห็นแล้วนึกอนาถบางคนคิดค่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความเห็นใจหรืออยากให้สาวๆเหล่านี้รู้สึกผิดและจดจําตนเองไว้ตลอดไปที่ไหนได้พวกเธออาจตก อ, อกตกใจเมื่อรู้ข่าวในนาทีแรกแต่หลังจากนั้นจะมีแต่ยิ้มเสียะสะใจทุกครั้งที่นึกถึงผู้หญิงเป็นเพศที่พึงใจในรูปโฉมของตนอัตราของพวกเธอจะสูงขึ้นมาก ถ้าหากรู้ว่าความสวยที่มีนั้นรุนแรงพอจะฆ่าคนได้ชายหนุ่มฟังแล้วนิ่งทื่อเพราะเพิ่งไม่นานนี้เองเขาเคยคิดวูบวาบอยากเขียนจดหมายลาตายแบบที่จะทำให้ลานดาวจดจำอะไรและรู้สึกผิดไปจนชั่วชีวิตแม้แค่คิดเล่นๆก็มีกำลังขับให้อยากเอาจริงอยู่ในส่วนลึกครับนะยากจริงๆที่จะหาของขวัญของกนานันอะไรทาให้เธอดีใจจะเป็นผู้หญิงสวยที่ไม่มีจุดอ่อนบ้านเธอมีฐานะอยู่แล้ว มีรถขับอยู่แล้วเรียนเก่งอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งพาใครมีแต่ใครจะไปพึ่งพาเธอกันเอออะไรทำให้เธอสมบูรณ์แบบขนาดนี้ครับอุปการะระบายลมหายใจอย่างเริ่มรำคาญคำถามจุกจิกแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเตรียมใจไว้แล้วเขาจะต้องเผชิญกับลูกค้าเจ้าปัญหาอีกมากนักเขาเคยมีครูดีมีผู้นำแสงสว่างในชีวิตที่ดีโบราณเรียกมีกัาณมิตรชอบนั่นแหละในชาตินั้นเขาเพียรสร้าง เพียรสั่งสมความดีทุกวิธีทางตามคำสอนของครูด้วยใจเชื่อมัน่นศรัทธาว่าชาติต่อๆไปจะอยู่ดีมีสุขพร้อมพรังและตอนนี้เขาก็กำลังสวยวิบากนั้นแล้วชีวิตเขาเหมือนฝันเหมือนแต่งเอาได้ตามปรารถนาขนพวกนี้มีตัวตนอยู่จริงและน้องก็ได้เห็นแล้วน่ารู้ละเอียดจังนะครับไม่เห็นต้องนั่งสมาธิเคล่งคัดอะไรอย่างในหนังเลยกรรมใหญ่ที่ส่งผลหลักๆนั้นดูง่ายอย่างเรื่องรูปร่างหน้าตา ฐานะความเป็นอยู่ใช้จิตสัมผัสนิดเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิเพื่อเล็งรายละเอียดหรอกผู้หญิงสวยๆเดี๋ยวนี้เอาเนื้อหนังมังสาปไปแลกเงินกันเยอะบางคนหน้าตาท่าทางเหมือนลูกผู้ดีไปทุกกระเบียดนิ้วอันนี้ว่าตามเนื้อผ้าพูดง่ายๆสวยแล้วมักจะฉลาดน้อยหรืออย่างดีก็ปานกลางสวยแล้วมักจะยากจนหรืออย่างดีก็พอกินทาไมจ้ได้รับข้อยกเว้นพิเศษมีครบกว่าใครเขา ทานคือเหตุแห่งความรวยศีลคือเหตุแห่งความสวยการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตให้ลุล่วงด้วยเหตุผลที่ถูกต้องคือเหตุแห่งสติปัญญาแต่คนเราจะเมาเอาทั้งทานศีลและความรู้จักเหตุผลไว้ในตัวคนเดียวพร้อมกันนั้นยากเว้นแต่จะมีครูดีชี้ทางถูกและมีความเพียรพยายามให้ต่อเนื่องด้วยศรัทธาประสาธะแก่กล้าพอเท่านั้นฟังดูน่าจะเข้ากันดีนี่ครับการให้ทานการมีสินสัตว์ทําไมนะถึงว่ารวมไว้ในตัวคนเดียวยาก สวยระดับเพื่อนของน้องนั้นโดยมากจะมาจากเหตุคือเคยรักษาศีลพรตบริสุทธิ์ผุดพองแบบนักบวชสตรีในปางก่อนซึ่งคนเราเมื่อเป็นนักบวชก็มักอยู่ในฐานะผู้ขอหาโอกาสเป็นผู้ให้สัพพยาทานใหญ่ๆได้ยากยิ่งถ้าเป็นพวกเก็บตัวในป่าตามลำพังโอกาสแบ่งลาบให้แม้เพื่อนในสำนักเดียวกันก็แทบไม่มีอย่างดีก็ให้แก่สัตว์ส่วนคนรวยล้นฟ้านั้นมักเคยเป็นพ่อค้าวานิชผู้ยินดีในทาน ให้ซับเป็นทานเหมือนงานอดิเรกยิ่งทํายิ่งสนุกยิ่งชอบใจซึ่งท่าเพลินทําทานมากติดดีในระดับฐานมากเข้าใจก็อาจประมาทในความดีขั้นสูงขึ้นเพราะหลงนึกว่าแค่นี้ดีพอแล้วไม่ต้องควบคุมกายวาจาใจมากไปกว่านั้นเป็นเหตุให้บกพร่องใ น, นศีลสัตว์ได้ง่ายแย่จังดีตรงโน้นไปขัดตรงนี้ก็ไม่เชิงขอเพียงถ้าคนเราเพียงรู้หลักอยู่บ้านธรรมดาก็ถือศีลให้บริสุทธิ์ครบทั้งกายวาจาใจได้ คิดให้ทานเป็นอดีรเรกได้ยกตัวอย่างเพื่อนผู้หญิงของน้องคนที่เรากําลังพูดถึงกันที่เขาสร้างกุศลใหญ่อันเป็นครุกรรมหรือกรรมหนักที่ให้ผลยืนยาวก็มักอาศัยชั ย, ยภูมิขณะเสวยชาติเป็นธิดาขหาบดีเหมือนชาตินี้แหละรายละเอียดเป็นอย่างไรพอจะเล่าเป็นตัวอย่างได้ไหมครับถ้าลงลึกผมต้องใช้กําลังมากเกินไปเอาเป็นอย่างนี้นะทานของเขาจะมีลักษณะของจิตที่แผ่เมตตามไม่มีประมาณแถมท้ายไปด้วยแล้วศีลของเขานั้นแข็งแกร่ง ขนาดมีเหตุลองใจมายั่วแค่ไหนก็ไม่ยอมละเมิดเรียกว่ายอมลำบากยอมกัดฟันสวนทางกิเลสเพื่อรักษาความตั้งใจอยู่ในกรอบของศีลมาเกินพอแปลว่าจะานี่แหกดา่านทะลวงข้อจำกัดได้พราอมีครูดีชี้ทางถูกให้ตลอดสายใช่อืมมีครูดีนี่ก็รอดตัวไปนะครับแต่ชาตินี้ถ้าทางเขายังไม่เจอครูดีกระมังรวยแล้วก็เห็นยังงกอยู่แล้วก็ไม่ได้ทาตัวเป็นแม่งานการกุศลที่ไหนเลย ก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาชีวิตคนมีหลายปีหลายช่วงจังหวะต้องดูกันยาวๆเหมือนกับเกมหมากคลุกที่ยังเล่นไม่จบต่อให้ดูเพี้ยงพล้ำเสียเปรียบอย่างไรก็ยังไม่ถูกตัดสินว่าแพ้นนท ก, การขยับตัวเปลี่ยนท่านั่งถอนใจเฮือกเหมือนมีคําถามอีกมากมายแต่ก็คล้ายหมดคําพูดจะเอ่ยแบบชักเริ่มเกรงใจคนตอบสรุปคือนะ่าจะให้ผมตัดใจจากเขาเรียกว่ายอมสละทุกออกจากใจไปก้อนหนึ่งก็แล้วกันชายหนุ่มหัวเราะแผ่วขอบคุณนะครับ น้านทำให้ผมรู้สึกว่าบางทีเราฟังเรื่องลี้ลับแล้วนึกว่าตลกแต่เราเองนั่นแหละที่อาจเป็นตัวตลกโลกเราไม่มีคนดูไม่มีตัวละครหรอกเพราะฉะนั้นก็หาตัวตลกไม่เจอทุกคนแค่อยากได้ในสิ่งที่ไม่สมตัวเลยเป็นทุกข์เพราะความทะยานอยากนั้นแล้วแล้วเล่าเพราะความไม่รู้ไม่ตระหนักตามจริงนานี้เหมือนพระจังเลยด้วยความเอ็นดูในส่วนลึกประกอบกับที่เป็นลูกค้ารายแรกอุปการะจึงตัดสินใจเปิดเผยผมเพิ่งศึกมาได้สักพักหนึ่ง ความจริงเป็นพระมาทางชีวิตนี่เพราะไม่เหลือใครดูแลคุณแม่ซึ่งแก่มากแล้วเลยจําเป็นต้องสละผ้าเหลืองสักระยะอ้ออย่างนั้นเองหรือครับชายหนุ่มรับทราบด้วยความสนใจและมีความใยดีขึ้นมาเล็กน้อยเกิดความรู้สึกอยากแนะนําใครต่อใครมาเป็นลูกค้าของหมออุปการะให้มากๆเป็นการช่วยอุดหนุนแม้เขาจะไม่ได้รับคําพยากรณ์ที่ถูกใจแต่หมออุปการะก็ให้คําปรึกษาคลายความยึดติดแน่นเหนียวในใจเขาลงได้มากพริข้อมือดูนาฬิกา เห็นเป็นเวลาใกล้าชายหนังรอบที่เขาจองไว้จึงร่ำลาอย่างนั้นต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆนะครับเออ200ใช่ไหมครับคำถามนั้นมีมาพร้อมกับท่าทางกลิมกะเลียอุปการะกระพริบตาทีหนึ่งคล้ายอ่อนใจถือว่าน้องมาใช้บริการผมเป็นรายแรกเอาร้อยเดียวพอก็แล้วกันนะนนทการหัวเราะเขินๆแต่ในตาเป็นประกายสมหวังแฮ่ฮครับขอบคุณนะอีกทีครับ ควกธนาบัตรจากกระเป๋ายื่นให้ยกมือไหว้ด้วยความเคารพกล่าวลาพร้อมคิดในใจว่าหาเรื่องชวนลานดาวเที่ยวได้อีกครั้งผู้หญิงกับหมอดูเป็นของคู่กันอยู่แล้วแม่นขนาดนี้หล่อนคงเห็นเป็นบุญคุณแน่ถ้าเขาพามาพบ